บางคนก็จะตั้งใจสมัธนา โ, โบสตินสินวันหนึ่งก้าคือหนึ่งบางคนมีธุระมากมีเวลาน้อยก็สมสัธนาสินห้าประการโดยปกติการสมรสัธนศสินวันนี้จงพากันตั้งใจให้สงบดนับตาเอนั่งสมาธิให้กำหนดเอาเองว่าใครจะสมัธนา โบูชถิ่นก็ให้กำหนดในใจงดเว้นโดยตนเองจะสมทานถิ่นห้าก็กำหนดในจิตของเราว่าสมทานถิ่นห้างดเว้นโดยตนเองการกำหนดเว้นวันนี้เพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายมีความฉลาดขึ้นอตามเวลาอันสมควรที่เราเคยสมทานถิ่นมา น, านั้นโดยมากอ่าเป็น สมทานจากพระภิกษุคือท่านบอกไปก่อนแล้วก็วาดตามวันนี้พระจะไม่บอกบอกมาหลายภรษาแล้วให้นั่งสมาธิกำหนดตามที่ท่านอุบาสกที่ไดประกาศลักษณะองค์ของอุโบสถนั่นตามความเข้าใจของเราทุกคนอาเตรียมตัวนั่งกำหนด ให้กำหนดเอาเองสมาทานในใจของเราใครจะสมาทานโบโบสดสีนก็ตั้งใจไห้ในใจอย่าไปตั้งใจไหวที่อื่นให้ตั้งใจไหในใจให้ฟังให้มันดีตั้งใจไว้ที่ใจของเรานั้นเป็นสัมปตวิรัตงดเว้นเอาเองแม้เราจะสมาทานจากพระผลที่สุดแล้วยังไม่พ้นสัมปตวิรัต งดเว้นโดยตนเองอยู่นั่นเองบัดนี้ให้พวกเราทาั้งหลายตั้งใจเป็นสัมปตวีรัสจะเป็นศิลอะไรอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นนี่ือทำให้พวกอุบาสกอุบาสิกาเราทั้งหลายพากันฉลาดขึ้นบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีพระบอกศิลก็น้อยใจไม่รู้ว่าจะรับศิลจากใคร ไม่รู้ว่าศีลอยู่ที่ไหนก็เข้าใจว่าศีลอยู่กับพระถังนั้นถ้ามีพระแล้วก็ดีใจว่าท่านจะได้สมาทานศีลอันนั้นมันมีความหมายน้อยให้มีความหมายมากสัำปตะวัรัตงดเว้นเอาเองก็ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราสมาทานมีรัตการว่าตามพระแล้วก็งดเว้น ตามที่ท่านบอกไปอืมนั่นเป็นศีลที่สองที่สามสมุเฉททวีราเรียกว่าอะไรอะไรที่ว่าจะทําให้เรามีโทษทางกายทางวาจานั้นเราก็งดเว้นเอาเลยอันนั้นเป็นศีลอันยิ่งยวดยิ่งยอดที่สุดเป็นศีลของพระอริยะบุคคล วันนี้เพียงแต่ว่าเราให้งดเว้นดวยตนเองไม่ต้องว่าตามหลังสะไปก็ได้ต่อไปนี้จงตั้งใจกาหนดด้วยกาลังสมาธิให้สงบระงับสักเวลาหนึ่งก่อนเอาพร้อมตั้งใจทาได้แล้วนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะวะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะปะปวะโตอะระห์โตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังตังขังนะมัสามิอิตโตบลังสัจจังธรรมโมโซตัพโธตีอวัตีิญาตโยมทุกคนในพุทธบริษัตททั้งกระหัตในบ้านป่าจิตในพร้อมกันมารวมกันณสถานที่นี้ที่เรียกว่าสราลงธรรม เพื่อจะอบรมจิตซึ่งเป็นตัวสําคัญในรูปร่างอันนี้จงประกันตั้งใจฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ตามภาษาพวกเราทั้งหลายพอเข้าใจกันว่าเป็นวันพระทําไมจึงเรียกว่าวันพระครูบาอาจารย์กําหนดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาพอจิตตั้งอกตั้งใจบําเพ็ญ สมณธรรมให้พอสมควรกับเวลาต <c oughs> ามที่เราทำกันมามก็ทำตามตันตีประเพณีแบบแผนของครูบาอาจารย์<ม>เพื่อจะให้มีการเวลาสั้นเข้ามาในการปฏิบัติเดือนหนึ่งเป็นวันพระสี่วันเป็นวันคนยี่สิบหกวันที่ท่านแบ่งให้ เป็นเป็นส่วนคือวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำหรือเป็นวันเจ็ดค่ำแปดค่ำต่อเดือนเนี่ยเป็นสี่วันจัดมาเป็นวันพระคือให้พวกเราทาั้งหลายเข้ามาใกล้พระโดยทางกายทางวาจาทางใจถ้าเราปล่อยไว้ก็มันเอือนห่างจากวันพระได้ความว่า เป็นวันของโยมนั่นยี่สิบหกวันต่อเดือนหนึ่งเป็นวันของพระนั้นสี่วันนี่ยในความเป็นจริงท่านก็ให้มากอยู่แล้วนะเพราะว่าการทามาหาเลี้ยงชีวิตของพวกญาติโยมตัางหลายนั้ น, นลำบากท่านจึงให้ถึงยี่สิบหกวันให้ละซึ่งที่ควรละมาบำเพ็ญ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 ไม่เดือเป็นบรรพะเอาไปเป็นบรรคนหมดหน้าอายนะท่านแบ่งให้ทั้งยี่สิบหกวันก็ยังไม่พออีกเดือเป็นบรรพะไปเพียงสีวันก็มาแย่งกันหมดจ้ะไม่ค่อยจะมีสำหมดอืมเมื่อมันหมดบรรพะไปเท่าไรก็ยังความเดือดร้อนเกายิ่งเกิดขึ้นมากเท่านั้นอให้พากันเข้าใจพระถ้าพูดกันง่ายๆนั้นพระคืออะไรเก่งกว่าบรรพะ วันพระก็คือเป็นบานสีตั้งกิตตังใจหลับหลับพิษหลับภัยหลับราคะโทสะโมหะให้อดกัน้นให้พยายามให้ได้พกพระอย่างวันนี้เป็นบรนโโบสมที่ท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้มีเวลาอันสมควรก็มาตั้งใจ รักษากายวาจาอยู่ในวัดทำไม่เป็นพระคล้ายๆไอ้มันเป็นพระไม่เป็นพระก็ให้มันเกือบจะเป็นพระที่มันจะมีความโมโหโธโสอะไรประการใดประการหนึ่งกับพยายามลดละวันนี้ไม่ควรจะทำก็ไม่ทำให้ควรจะพูดก็ไม่พูดให้ควรจะคิดสิ่งที่มันไม่ดีก็ไม่คิดเรียกว่าการปฏิบัติธรรมอดกั้นใจรับ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 ย่าให้มีในวันนี้นะทาไปติดต่อกันไปนานๆไปเดือนละสี่ครั้งมันหลายเดือนมันก็ไ ห, หลายวันเพิ่มพูนบา ร, รมีขึ้ น, นจนการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ไปตั้งอยู่ในสันดานของพวกเราเมื่อนึกจะทำสิ่งที่ไม่ดีก็มีความละอายอยู่แล้วเมื่อคิดจะพูดในสิ่งที่ไม่ดี มันก็เกิดความลายอยู่แล้วเมื่อจะทําสิ่งที่ไม่ชอบทําอะไรก็มีความลายอยู่แล้วเพราะทําไมทําไมมันถึงมีความลายเพราะเราได้ผลจากการฝึกเดือนหนึ่งสี่วันนี้เองแต่าหากว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยว่าวันมีแต่วันคนทั้งนั้นวันพระไม่มีคือไม่ได้อบรม ก็ไม่เกิดนิดสัยไม่เกิดปัจจัยถึงลาคะโทสะโมหะนี่มันโดนบันดาลเกิดขึ้นมาก็าพูดไปทำไปคิดไปโดยไม่นำวัดระวังอันนั้นเรียกว่าผู้ไม่ได้ฝึกหัดพุทธบริษัทเราสังลายเข้าใกคลค้สะเราเคยเห็นไหมอย่างโยมผู้ชายเรา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 นี่อะไรมันบังคับอยู่อัตมาเคยไปตามวัดเนาะถ้าไปรวมๆกันแล้วผู้ชายก็เรียกผู้หญิงว่าไม่ออกแต่อยู่บ้านไม่เคยพูดอย่างนั้นอเนาะทําไมให้เป็นอย่างงั้นอืมนี่มันเป็นซะอย่างนี้จนเป็นสันหลานพวกเราเราทั้งหลายกันเรียกว่าพอออกไม่ออกนี่เป็นประเพณีบ้านของเรามา นันวันนี้ทันจทงว่าเป็นบรรพระฝึกไปเรื่อยๆอบรรพะหลังนั่งก็ฝึกมาบรรพะก่อนๆนั่นก็ฝึกมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ฝึกไปเรื่อยๆอนาคตต่อไปเรามีชีวิตอยู่ก็ฝึกไปเรื่อยๆการฝึกนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมันเกิดอุปนิสัยเกิดปัจจัย ให้พวกเราอ่อนน้อมไปหาธรรมะทางกายทางวาจาใจของเราของไซไ้ที่เราเปลี่ยงวาจาออกม า, ากทางนั้นไม่ใช่ว่ามันออกมาจากที่ไหนมันออกมาจากใจของเรา ม, มันออกมาจากใจมันจะพูดดีงามก็ออกมาจากจิตใจของเรา ม, มันจะพูดคำหยาบเฟอเจอก็ออกมาจากจิตใจของเรา ถ้าเราทําจิตใจให้เป็นพระอืพูดยาปลาใสกินยามารยาทก็เป็นพระถ้าเราไม่ฝึกอืในเวลาที่เราไม่ได้ฝึกปล่อยไปตามเรื่องตามราวมันมาก็เหมือนกันกับญาติโยมที่พูดกับลูกหลานอยู่ว่านมีการพูดคำหยาบพูดเปรเจอเป็นปกติเลยมีการพูดอยู่ชาวว่านไม่ถึงอย่างนั้นถึงแม่ว่าเราวันนี้เราจะมาวัด เมื่อก้าวเข้ามาวัดจิตใจเราก็ต้องเปลี่ยนว่าเราเข้ามาวัดนะเมื่อเข้ามาวัดจะพูดอะไรจะทำอะไรมันก็นึกถึงวัดที่เราอาศัยมานี่นเป็นเหตุในประครับประคองจิตใจของเราเห็นธรรมะไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็เว้นจากการพดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดประเจอได้ อันนี้ก็อาศัยที่เราเข้ามาวัดมาฝึกการฝึกนี้จิตใจนี้ก็เหมือนกันกันกบเราฝึกเราพ่อแม่ฝึกเรามาตั้งแต่เล็กๆอืมตั้งแต่เล็กๆ เ, เราเกิดมาตัวนี้เดียวอืตัวนี้เดีย ว, อ, ว, ยวอาหารการบริโภคก็เป็นนมเดลียวเหลิ่งแม่เลี้ยงเรามาพ่อเลี้ยงเรามา ต่อมาก็เที่ยวข้าวเหนียวใส่กล้วยหอ่อหมกเลี้ยวๆให้กินเด็กมันก็กินมาเรื่อยๆมาจนกว่าว่ามันจะโตโตขึ้นมานะอืมโตมาพร้อมสมควรเราก็เลิกลการกินนมก็เลิกซะแล้วอได้เอาเข้าวเหนียวมาปั้นๆเอาเกลือโรยซะเอาใส่มือให้มันเนี้ยวเด็กมันก็กักดกินเองนี่รู้สึกว่ามันโตขึ้นมาแล้ว อาหารมันก็แข็งขึนมามัน่้นจักหยาบมาแล้วมันก็กินได้เด็กๆอยู่นั้นเราต้องอุ้มมันไปไปที่ไหนก็ต้องอุ้มมันไปอาหารมันก็เหลวเพราะมันยังเด็กอยู่เมื่อมันโตขึนมาอาหารมันก็แข็งขึ้นข้าวกินเองเดินเองล้่ก็พูดเองใหญ่โตขึนมาถึงกระดานนี้ก็เพราะอะไรเพราะการเราฝึก การฝึกนี้ลหละมันจึงเป็นคุณค่ามากเหลือเตินที่เราจะทิ้งไม่ได้ฝึกมาเรื่อยจนเดินได้จนวิ่งได้จนทำการงานทุกสิ่งทุกอย่างได้โตขึ้นมาจนเป็นพ่อเป็นแม่ของคนสอนเด็กื่นๆต่อไปอีกนี่ก็เพราะอะไรเพราะการที่ว่าเราได้ฝึกมาเราฝึกธรรมะก็เหมือนกานจันนันฝึกธรรมะก็ฝึกใจ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 แล้วก็รู้จากบุญแล้วก็รู้จากคุณแล้วก็รู้จากโทษต่างคนต่างรู้จากพอ่อจากแม่รู้จากบุคคลที่มีคุณรู้จากบุญรู้จากบาปทุกทุกคนแล้วนะเราพ็ประกันอยู่กันสบายนี่ก็เนื่องด้วยการฝึกหัดในกระโตขึ้นมาโตขึ้นมาจนพูดธรรมะได้สมัยก่อนเรียนธรรมะธรรมะยังไม่มีอยู่ในใจ เมื่อเราประพฤติปฏิบัติขึ้นมาแล้วจะน้อมเป็นโอปนายกธรรมน้อมธรรมะเข้ามาในใจให้ภาวนาด้วยเช่นอยูจะ ก, กันกรองอารมณ์เป็นต้นว่าจิตของเรานั่นน่ะมันหลายอย่างนับมันไม่ทั่วอันนี้ถ้าเราปล่อยมันไปอันนั่นเป็นอาการของจิตมันวิ่งไปตามอารมณ์ในไหนทุกอย่างมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งหลายเรื่องหลายเรื่อง มันมาพบสภาวะทั้งหลายในโลกอันนี้มันก็หลายเรื่องหลายลาวคนก็เกิดความคิดอะไรมากมายจนไม่มีที่สุดจบอย่างนั้นพระบรมครูของเรานั้นท่านจะทำความในนึกคิดของเราให้มันน้อยเข้าให้มันสั้นเข้ากลั่นกรองเข้าไปให้มันละเอียดจนกว่าที่มันเกิดปัญญาที่เราเรียวกว่าการภาวนาภาวนา อันนี้คุมันเก็บกินเห็ ด, ด, ดอร่อยเมื่อเรากินแล้วเราจะไปเก็บเห็ดน่ะเห็ดมันอยู่ตรงไห น, นมันอยู่คีดินนั่นแหละกินข้าวเสร็จแล้วก็เอาไม้คนแค่นี้ถือเป็นแท้เดินตามทางไปเจ๊ก็คิดคิดว่าเห็ดมันจะเกิดอยู่ตามทางเลยไปกิ้มเอากิ้มาเอากิ้มมาเลยใส่กระกากระชาก้ามากันเดินไปรอบภูเขาไม่ก็ไม่มีเหตดเนี่ยเออมันเป็นไง อ, อย่างนี้คิดว่ามันเอาง่ายง่ายแต่บ้านเราทั้งหลายเนี่ยเข้าไปเก็บเห็ดตรงไหนมันมัน เมื่อที่มันจะเกิดเหตุป่าไม่อยังไงจะเกิดเหตุมันคงรู้จักเป็กๆ ก, ก็รู้จักเจ๊กไม่รู้จักเห็นแต่มันเผ็ดมันอยู่ในถ้วยกับพูบะอร่อยอร่อยนะั่ะจะไปขี้บอร่อก็นาดมันก็ไม่ได้นลยนะี่นี่อันนี้คุณมันการเราจะมาทําจิตใจให้เป็นสมาธิเนี่้ก็คิดว่ามันจะง่ายง่ <c oughs> <c oughs> ายเมื่อมันนั่งแบบเอยขากวาปวดเอกวกปวดขี้เกียจก็ขี้เกียจ ร้นอนก็ร้อนสารพัดอย่างนี่วุ่นมุ่นเโอ้ยจะมองเห็นสมาธิมันก็ไกลกันก็ฟ้ากับดนินจะเห็นยังไงได้เนี่ยอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องว่าจะทำยังไงถึงมันจะมีของทํายากยังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันก็เป็นของง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นสบายขึ้นอย่างญาติโยมเราทั้งหลายที่มาฝึกกันนี้ขั้งแรกก็ลาบากอาตมาก็ลาบากเหมือนกัน ไปนั่งสมาธิกับครูบาอาจาัน์นอยกระเดืมตาดีๆขึ้นมาท่านอาจารย์ท่านเด็กหรือยังเนาะลืมตาขึ้นมาดูท่านยังอยู่เอาอีกดันไปเกือบตายเมื่อตายเข้มาละมองดูอาจารย์ท่านเชยอยู่เอาท่านยังไม่หยุดเอาอีกโอ้โหเกือบตายนะนั่งเป็นสมองช่องชมองท่านสบายเราเกือบตายท่แล้วแน่วันหลังท่านบอกมานั่งสมาธิกลัวท่แล้วเข้าสมาธิกลัวเพราะกวรแต่วันบานนี่นะทําไปเห็ดเข็มันนะ ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจึงเป็นของยากลําบากที่เรายังจะพึ่งฝึกใหม่ที่เราฝึกยังไม่เป็นก็เป็นของลําบากให้เข้าใจว่าทุกอย่างมันลําบากงวดทุกอย่างถ้าเรายังไม่รู้ถ้าเรายังไม่เป็นมันเป็นของลำบากทั้งนั้นไอการที่ลาบากนี่ แ, s, แหละนะมันจึงเป็นอุปสรรคให้เราทรมานเราถ้าไม่มีสิ่งที่ลําบากไม่มีข้อประพฤติไม่มีข้อปฏิบัติ เราจะปฏิบัติให้มันดีก็สิ่งที่มันดีมันก็ข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปเมื่อไปทําสิ่งที่มันดีมันก็ข้ามสิ่งที่มันไม่ดีไปกว่ามันจะข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปนี่มันอ่อนใจแต่แล้วหล่ะเนี่ยจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นทุกคนดันั้นการฝึกนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องฝึกฝึกไปนานๆฝึกไปนานๆก็เหมอนถนนทางเราเข้าไปในป่า ครั้งแรกเราก็เดินไปตามป่าเดินไปทุกวันทุกวันเดินไปเรื่อยๆเลยตั้งเป็นปี้องปีมันก็ค่อยๆเยียนไปดินก็ค่อยๆแข็งไปหัวใอมันก็ค่อยหายไปก็เป็นทางเดินได้ดีทางเรื่องจิตของเรานี่ก็อย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราพยายามทำมันไปเรื่อยๆไปมันก็สว่างไปเรื่อยๆไปยกตัวอย่างเช่นที่ว่าเร า, าเกิดขึ้นมา มันก็กินข้าวกินปลาพอมาถึงพระท่านฝึกแล้วท่านก็มาสอนว่าอย่าไปเบียดเบียนกันอย่าไปฆ่าสัตว์หมดท่าอะไกเรานะตลาดยุทุ่มนาจะทำไงเนาะท่านห้ามไม่ใฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้กินข้าวกันนั่นแหละไม่ได้กินข้าวหมดปัญญาเลยเท่านี้ก็บดปัญญาเลยละ่ะบาจะไปหากินยังไงเนาะมมไม่มีทางในบ้านนอกของเรานะมมไม่มีทาง ก็ตลาดของเราอยู่ทุ่งนาตลาดของเราอยู่ในป่าเราจะต้องไปจับสัตว์จะต้องไปฆ่าสัตว์มันถึงจะได้กินนี่อันนี้ก็ใ ห, ให้ให้อุบายกันหลายตีหลายเดือนดเลยเดือมว่าคล้ายๆว่าคนทํานากินข้าวอย่างนี้โดยตรง่ะคนทํานาก็ต้องกินข้าวอย่างนั้นคนเหยียบจักรอยู่นในตลาดกินอะไรกินจักรเหรอไม่กินผ้า เออนี่เราเราคิดอย่างงี้ก่อนสิเออเนี่ยเราทำนาเราต้องกินข้าวแต่คุณอย่าทำนาเลยไปทำงานอย่างเงินใช่ไมไม่ได้ไม่ได้กินข้าวก็คงคิดว่าคนทำนากินข้าวกันทุกคนนอกจากการทำนาทำไมไกินข้าวเพรกะพอข้าเก็บจักอยู่ในวารินอยู่ในอวบน่ะมันกินผ้ากับจักรเหรอหรือมันกินอะไรเนี่ยไม่ขีดไฟกลองนึ่งที่เราไม่ใช่ในบ้านเรานะั่นนะเราทำเป็นไหม อไม่เป็นทําไมเราโดใช่ไม่ขีดไฟเอามาจากไหนนี่แต่ที่เรียกว่าใครทําไม่ขีดไฟเป็นยิงโดยใช้ไม่ขีดไฟอย่างนั้นมันก็เหลวเท่านั้นแหละเอ่อน่ะถ้วยสักใบหนึ่งที่บ้านเราอ่ะเอ่อตามบ้านนอกเราทําเคยทําถ้วยกระไก่ไหมทำถ้วยตะเล็กเสื้อสวยนี่มีไหมทําไม่เป็นอยู่ในบ้านเรามีไหมมีเอามาจากไหนนั่นนี่น่ะยชิ่งที่เราทําไม่เป็นเนี่ย แเราหาตะต่างเป็นไปซื้อมาก็ได้ถ้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนใช่ถ้วยต้องทําถ้วยเป็นทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เนื่องเวยปัญญาของเราเนี่ยอะช้อนเราตักแกงขึ้น่ะนะเราทําไม่เป็นเราไปซื้อเอาในบ้านเจ๊กก็ได้เนี่ย น, นี่นี่เนื่องเวยปัญญาแล้วก็ทํางทําได้ทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นเราถ้าเราทําให้ดีที่สุดแล้วนะเราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนสักผู้มีปัญญาแล้วนะ เป็นประวัติกรรมสัอืประวัติกมสังวะเนื้อสัตว์ที่มันตายแล้วพี่คนยังไม่รู้จักอยู่เป็นต้นทําไปเขา้าใจเพื่อกินเพื่อขายเขาเรามีปัญญาหาอะไรจะปเปลี่ยนเนาะนการภาวนาก็มันมีปัญญาอย่างนี้อะไรมันผิดเราก็ต้องพิจารณาอย่า ย, า, ยาไปทําผิดอันนั้นแต่ทำให้มันถูกให้มันไปได้กับเพื่อนเขา ที่ใดจะทรงคุณวบุติที่มนุษย์เราอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็อย่างนั้นทุกคนเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นแหละหรือสาวกของท่านก่อนท่านก็เป็นพุทธชนอย่างเราทุกคนทุกคนนั่นแหละจะเป็นอะไรมาเล่าแต่เมื่อท่านมาปฏิบัติแล้วในเป็นโสดาสกิตาคาเป็นพัฒนาคาเป็นพาละหันดังกล่าวแล้วนั้นก็เพราะการฝึก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 เทศได้ฟังอีกแก้ไขตรงนี้คงไม่ได้เลยโดยมากาเขาใส่เบ็ดเอาเบ็ดมอมาอไปเกี่ยวปากต า, า, า, า, า, า, า, าเนี่ยมาเขาว่าเข้ามานในข้ามันมันมากินเบ็ดเขาอาจจะมาก็เทศเลาะไปเลาะมาเนี่ยไอขึ้นมาก็ทําอยู่แต่อายมันลั่งอะเบ็ดใต่ปากเออตัวไรตามันถึงแก่กรรมก็มากินเบ็ดขังฉันเนอะไม่ถึงขาวตายอย่ามากินของฉันเนอะเนี่ย เพี้ยนไปแล้วเนี่ยมันเพี้ยนไปซะแล้วเนี่ะแต่ก็แต่ก็แงงตรงนั้นปลามันก็มากินกินก็เห็นอยู่ว่าไอแบบเบียดมันเกี่ยวปลกแม่สงสารมัง้งงก็อเอานะเอามาก็ไม่แน่ใจแล้วปลามันไม่รู้จากความมากินเบีดเราว่าอยูนในใ่ในใจใใจมันก็ยังไม่ไปหรอกมันเป็นพ่อเราเาารรนเี่แหละมามาล่อหรือมาทีมากินเราก็ทําไปอยู่ดีดีอย่างนั้นนานๆไปหยุดไม่เอา พึ่งเอามาแล้วเป็นต้นไม่ฆ่ามันเอามาปล่อยไปในในในหมอ้อเนี่ยคอยจาง น, น, นานๆไปที น, น, นานๆไปทีเรือกบทีเนี่ยกบกบเนี่ยหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดมันจะทำอย่งั้นแหละอยากไปทํามาเลยเอืมันในดีที่กบดูดีๆที่อยอมจะฆ่าก็ไม่ว่ า, ววาหรอกแต่ไหวดูมันดีซะก่อน จับมันคือมาดูหน้าดูตามันจะบอกเอยกบมันเหมือนลูกเราเนาะขามันก็มีแขนมันก็มีเนาะดื่มตาอยู่นะดูสักทีเอาแกก็ฆ่ามันฆ่าเห็นว่ามันบาปเยอะนะแต่ว่าไอกําลังลูกเมีมันดันขึ้นมันไม่มีอาหารแกก็ฆ่าไปเรื่อยๆฆ่าเป็นเอออันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะทํายังไงเนาะนะวันนั้นหากบมาม่หยุดจับมาที่นี่ไม่หักขามันที่นี่แต่ก่อนมันหักทั้งขาหน้าขาหลังมันทีเดีย เออกลัวกลัวมันจะออกจากหม้อจากข้องมันจับมาอืก็เถือมันเราจับมันมาเฉยๆเนี่ยมันเลี้ยงไปเราไม่ทําอะไรมันดอกเราจับมาแบเฉยๆคนอื่นเขาจะตามก่อจังเขาเถิดเราไม่รู้เรื่องแต่มันรู้อยู่นล่วนะทําไปมันก็รู้เราจับเข้ามานานไปนะเออมันมันเขาค่าเเราจับมันมาเนี่ยนะเอามันก็โทษเราคนฆ่สิเปอร์เซ็นตะมั่งนี่คิดไปคิดมาคิดมัอกินยากแล้วมาจะไปกินมาเลยที่หลังอ่ะ ไม่หักขามันจับมาขังแบบเฉยแม่บ้านมาเห็นก็ไปักม่ทำไป่ทำกระเฉยมันเฉย ไ, ไม่ได้นี่นี่ก็เป็นพ่อเราไงนะหักขาก็ไม่ใช่เราไม่หักขาก็เพราะเราทั้งนั้นแหละผลจะสุดในเลือกเลือกแม่บ้านกระบวนไมนมีอาหารไห่อยู่ให้กินในวุ่นละล ง, ล ง, ล, งลงบ้านแนี้ไปเอาไปดิ้นๆก็เข้ามาวัดดิ้นๆฟังมาหาพระพระสักะเทศใด้ฟัง กลับไปบ้านแม่บ้านประเทศสิฟังเ <c oughs> <c oughs> ขามามาถ้าประเทศนี่ถอยออกมาเข้าไปในบ้านแม่บ้านก็ยุเข้าไปโอ้จะทําไงดีนาะนี่เนาะทุกเล็กเกิดนาะทุกทแคแท้วันเกิดมานี่ทุกหลายคิดไปคิดมาก็จนโยอมแม่บ้านเขาพูดยังไงก็ไม่ไหวพูดหนึ่งเขาก็เลยปล่อยได้โอกาสทำหลวงตาสุดมาจํามาจําศิลป์วันพระกับพระ แต่ไปอยู่ในบ้าไม่ค่ า, าศาสตร์กับเขาก็าไปหากินกับเขานี่ไปเปพียเพอาะค่าเกียร์ในในร้านนกอนจะบวชนั่นนี่นนะเขาให้เบียงวัวให้ไปหากบ ม, มาแกงก็ไม่ได้กินหรอกไอเนี่ยเรียงเที่ยววัวใช่ไหมเนี่ยให้พวกเขาไปหาช่างข้าวในในบ้านแกแกเฝ้าทับ <laughs> เรียงวัวเรียงวัวเสนสายมามันหิ ว, หวน้ําก็เลยมากินน้ำแล้เขาอาขบมาขัางไว้ในกระถัาางอะ่ะนี่ ขาหลังมันก็หักขาหน้ามันก็หักแล้วไอ้คนไปเขดินจังจังจังจังจังจังไอ้อะไรนาะ น, น, นี่นาะไปดูโอ้ยกบมันออกจากกระถังไม่ได้โอ้ยลูกเอ้ยเวียนเขินเนาะจะไปทิ้งกับกลัวเพื่อนจะรุมเบาน้อจะป ล, ล่อยน่ะกบจะตายนาะเดินไปเดินมาหึ่ก็เล ย, ยไปจับกวกลันออกไปปล่อยในนู้นจะหนีไปโน่นไปเดียงวอยสั่งทุ่งนะเพื่อนออกมาจากในบ้านนะมาจะมาทํา อาหารกบไม่เห็นใช่แล้วใครกบเอาไปที่ไหนเนี่ยเพียงกันโยไวยวัยว้ยั่านก็นไปเรียกงมอฟังไปบางโทนฟังแมจะเอาเราอ่ะเออมเ่แม่หมอดีผลผลว้า ม, มาปล่อยโขดเผาเส่็เปุ๊บว่ะตกใจว่าอะไรก็ช่วยนะเขาก็ไปหาหนึ่งมาทำกันถึงเวลาเขาทำอาหารแนะเขามากินขา้าวกัวเขาเรียกมาเขารู้จักกันละแกเป็นคนใจบุญ จับกบจับปลามาไหว้แกปล่อยเท่านั้นเนี่ยเขาเขาขูว่าเนี่ยพอเข้าพาเข้ากับเขาก็กินข้าวกับเขาสบายพอได้ปั้นข้าวขึ้นมามันหิ้วหิ้ววนสายแล้วน่ะจะไปจิ้มปนกบกับเขาน่ะเขาได้จากแขนยดใจวุ่นอยู่กับที่เลยนึดเราโอ้ยในใจโอยทุกข์แค่ไนเนาะเกิดมาในโลกนี้ทุกข์แค่ไนเนาะไม่สบายใจเลย กินข้าแล้วก็เลยพูดกลับไปนี่เราจะบวชแม่มันรู้แล้วรู้รอดลำบากเหลือเกินนะอย่างนี้ในกองกำบันกลับมาบ้านพอดีทางบ้านเขาทำกองบวชกันพอดีหน้าคนหนึ่งมันหลักหนีเวลลักหนีไปให้พวกเพื่อนทั้งหลายก็พูดเยอะให้พวกเพื่อนทั้งหลายก็พูดเยอะกันเล่นเอ้ยนน่นแต่เอาคนนั้นเข้ามาบวชนักบวชเขานักใจบุญก็นั่นอ่ะก็เลยไปจับมาแส้นสีแกก็ตลยตกลงบวชเนี่ยโกนผมเลย ไม่ได้ขานหนักเลยแม่บ้านก็ไม่ได้บอกโกนตอนเช้ามาก็เลยมากินเออเราก็จะบวชกลางค่ำหนึ่งจะไปบอกแม่บ้านไม่บอกเพรเกิดอันตรายนะมั้งนนะจําเป็นก็เลยโกนผมแล้วก็เข้าไปในบ้านไปบอกแม่บ้านพอแม่บ้านมองเห็นโกนผมร้องไห้ด้วยตั้งน น, นะแตมกระเื้า บ, บ้านเติ่งเติ่งเติ่งนึกแต่ตัอตอตอ <laughs> ตอเอ้อ ให้พูดเมืก่อนให้ฉันขอตีเธอขออนุญาตบวชเธอฉันก็เกิดกับพ่อกับแม่ฉันไม่เคยได้บวชเลยอบวชเดียวฉันก็จะสื่อสองให้อนุญาตฉันบวชนะพูดไปพูดมาจบลงแม่้านเธาก็ดีกันให้บวชนะบวชไม่ออกจากบวชเลยผมบวชผมจะทําไงดีทันอุปชาบวชเดี๋ยวท่านยังมาอยู่นี่เลยท่านจะบวชจริงๆไปเป็นกรรมฐานเลยมาอยู่บ้านก็เป็นอย่างนี้แหละ พอได้เข้าใจก็ออกเลยนอนนอนในโบสถ์คืนนึงตอนเช้ากราไปถามอาจารย์ทองรัตน์อยู่ที่ไหนน้องไปหาอาจารย์ทองรัต น, เน์าาเลยพอดีก็พายหาดป ร, รุงพลังไปภาพใหม่ๆผมภาพก็ยังไม่เป็นเนี่ยลงไปกราบหลงท่านอาจารย์ทองรัตน์โอ้ยท่านอาจารย์อืมผมไม่มีอะไรแล้วผมมามอบกายถวายชีวิตแกท่านอาจารย์นี่แล้วอือาจารย์เออดีแล้วนะบุญหลายยังงั้นจะไม่พบ อาจารย์เนี่ยอาจารย์จะหนีไปแล้วนั่งกราบตรงนั้นน่ะบวชมาได้ใจผมทำยังไงพอดีไอตอ่อต่อไม่เต็งมันมันเป็นแก่นร่อนอยูน่นน่ะตั้งหยู่ร้ายปีแล้วให้ท่านทําเหมือนต่อนเนี่ยวต่อนเนี่ยอย่าไปทําอย่างเงินเนี่ยทำเงินเพราะต่อเนี่ยเท่านั้นแหละท่านบอกกรรมฐานให้เออท่านเทศในฟังให้ทหําเงินหนเพรานต่อก็ไปนั่งคิดนอนคิดนั่งคิดนอนคิ ด, นนคดจะทําง่ายก็คิดมาตั้งแต่ไอต่ไอไม้มันเป็นเมล็ดมันเกิดมา จนมันเท่ามันแก่จนเขาจัดมันเลือแต่ต่ออย่างเงี้ยมันเป็นต่อขนาดนี้มันจะทำไงเมื่อไม่เกิดอีกแล้วเลยพูดไปพูดมาเลยเอาหัวต่อไปไปภาวนากันโดยขยายขยายออกไปขยายไปทุกสิ่งทุกอย่างโอภารีโคนอบกับมาหาเราเรานานๆไปมันคงเหมือนตอเ น, นี่ยไม่มีประโยชน์อะไรแล้วท่านก็ตั้งใจเลยเลยไม่สึกเลยไม่สึกไม่พบจะมาว่าโยแม่ว้า น, นยังอยู่หรือเปล่าน่ะ ไม่รู้ได้ยินข่าวมัตายแล้วว่านงนั้นได้บวชทำไมไปเข้ากันเล ย, เ ล, ยเลิกกันเลยเนี่ยอุปนิสัยท่านมีท่านก็ไปของท่านอย่างนั้นยากลําบากถ้าหากว่ามันถึงใจแล้วไม่มีอะไรกันก้นกลางล็อกมันก็ไปของมันจนได้เพวกเราทุกๆคนก็เหมือนกันอืมะเอาไปพิจารเรื่องการประพฤติปฏิบัตินี้้แลวก็น้อมถึงการให้ความเกิดมาเป็นมนุษย์นีมันลำบากเหลือเกิน ไม่ลำบากเท่าที่ว่ามันเกิดมาตอนนี้น่ะต่อไปอีกมันก็จะลำบากอเผู้น้อยมันก็ยังจะโตผู้โตมันยังจะแก่ผู้แก่แล้วมันก็ยังจะเจ็บเจ็บแล้วมันก็ยังจะตายมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนึ่งนะใช่ไหเป็นวัตฏะมันไม่จบสิ้นสักทีหนึ่งเลยอืเนียท่านจริงไหมภาวนาเรื่องการภาวนานี่จริงให้ทําเป็นสมาธิก่อนสมาธิคือทําใจให้มันสงบเลยครับเหมือนน้าในกระมังเรานั่นน่ะ เราจักมาตั้งไว้เรามากลัวนเนี่ยมันก็เพิ่มมันไม่สามารถจะมองเห็นพัดลมมันจะมองเห็นฟ้าอะไรต่างไม่มองเห็นเพราะน้ํามันก็เพิ่มอยู่ใจเรากคือมันกันน่ยนั่งมันเป็นทุกข์เป็นร้อนมันมีตกมีจานถึงทุกสิ่งสารพัดมันก็ไม่มองเห็นความสงบละถ้าจิตใจถ้าน้ํามันสงบแล้วน่ะมันน้ามันจะนิ่งเมื่อน้ํามันนิ่งมันจะมองเห็นพัดลมมันจะเห็นฟ้าตลา มันจะเห็นตัวจริงจบเห็นตัวในหลายอย่างนอกจากมองเห็นหน้าตาของเรามันจะมองเห็นในหลายอย่างไอ้ตัวปัญญาที่มันเกิดขึ้นนี้มันจะว่ามมมััันนนชนะแสงสว่างทั้งหลายนี่สว่างคือปัญญาอนักทิปปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอร้วยปัญญาไม่มีไม่มีการที่เราทํามันมีเหตุมีผลไม่ถึงเหตุถึงผลมัน มันก็ยังไม่ได้รับผลเขียนยกตัวอย่างคือว่าไม้ลําปออันนี้คนโบราณที่จะบอกเราว่าหลานต้องการไฟไฟอยู่ที่ไม้ลําปอนี่นี่ทําไงเอาไม้ลาปอมาสีกันเข้ า, ข า, ขาไปเถอะไม้ลําปอแห้งๆหรือไม้ไผ่แห้งๆนี่ไฟจะเกิดตรงนี้แหละอย่างนี้นี่เดียวพูดตัว ป, ประการมาแล้วเคยได้ไฟจากไม้ไผ่แห้งไม้ลําปอมาได้เกิดเป็นไฟก่อไฟได้ เด็กดุลรุ่นมันได้ยินคนแก่แบบไฟอยู่ตรงนี้มันก็เอาไม้ลําปอไปสีกันขึ้นมาเอาไม่ไผไปสีโอ้ยใจเ็กๆกมันอยากลายเร็วนะีสีสักเล็กสักน้อยมันเอ้ยมันจะทําไมมันไม่เกิดไฟแล้วมันจะร้อนขึ้นมาต้ับพักอ่อนอ้วนเหนื่อยแต่แล้วมันก็เย็นเย็นก็ตั้งใจมปสีอีกสีกว่ามันจะร้อนรอนขึ้นมาก็ขี้เกียจดีละหยุดสักน้อยหนึ่งต่อไปก็สีอีก ก็อยู่อย่างนั้นจนมันจะเกิดควันเกิดไฟแล้วก็หยุดจะเกิดควันเกิดไฟแล้วก็หยุดก็หยุดหยุดอืมก็คว้างไม่ําปอขับปาเลย่มันคนแก่โกหกเรามันไม่มีไฟที่นี่นจะมีตรงไหนเนี่ยนี่คือความอดทนไม่พอไอ้ความรังเกียจมันถมทับเข้ามาไอ้ความร้อนมันไม่ส่งรุ่นไฟมันก็ยังไม่เกิดก็หมาว่าไฟไม่มีในที่นี้อืมไฟไม่มีในที่นี้มันก็เลิกจากประโยชน์นั้นไปเสีย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 ทำอะไรกไ็ไม่ได้ตามปรารถนาขเขาก็ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้ ง, งไม่เห็นประโยชน์อย่างที่ว่านักศึกษานักปฏิบัติตัววันนี้ก็เหมือนกันเขาต้องการทางรวดเร็วจะมาข อ, อนั่งสมาธิสักสองนาทีให้เป็นสมาธิน่ะนั่งตรงนี้ก็ไม่พบไปตรงนั่นก็ไม่พบไปตรงนี้ก็ไม่พบมันก็ไม่พบจะพบอะไรมันไม่ร้อนความร้อนมันไม่สมรุ่นกันไฟมันก็ไม่เกิดขึ้นมาพุทธศาสนาที่เราประพฤติปฏิบัติกันนี้ ถ้าพระจะองศ์อย่าทำใจแหยนแยนอย่าเร็วเกินไปทำเย็นเยนทำเย็นเยนเพราะจิตใจของเรานี่มันข้ามเหตข้ามผลอือย่างนั้นบ้านเราก็คงไม่ขโมยมีขโมยหรอกนะจะทำไรทำนาหาเงินหาทองมันลำบากไอ้ที่เขาหารวมๆกันนเป็นยองเบาเอาดีกว่ามันง่ายสิมันอยากได้ง่ายอย่างนั้นเ <laughs> นี่ยไอ้คนเกิดเป็นขโมยก็มันเป็นเพราะอันนี้ไม่ต้องทำมันเลย เขาเก็บไปตรงนั้นกับพยายามไปจอไปมองเอาตรงนั้นแหละนะมันก็เป็นโทษเขาจะจับมาฆ่ามาตายขนาดไี่เป็นต้นมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังมีขโมยเกิดขึ้นมาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอันนี้เองแค่นั้นธรรมนี้ยังเป็นความรู้ที่สมรู้ทุกสิ่งทุกประการแต่ว่ามันไม่ได้ตามาราถนาของคนเราเป็นบางอย่างเพราะเรามัใจร้อ น, อนร้อนเพราะตัณหาร้อนเพราะความอยากอืม ทุกสิ่งสารพัดอย่างสิ่งที่เราไม่รู้จักมันเป็นความอยากมันก็เป็นอยากหมดนะอยากอยากได้อันนี้มันก็เป็นความอยากแต่คำพูดว่าไม่อยากให้มันแตกนี่คืออยากนะไม่อยากให้มันแตกมันก็เป็นตานาคืออยากเป็นวิภาวะตานาเมื่อมันแตกลงไปเมื่อไรเราก็ทบกเพราะเราไม่อยากให้มันแตกไม่อยากให้แตกนั่นแหละคืออยากเห็นไหมมนกลับกันไปกันมาอยู่อย่างนี้ เออาฮะกลับกันไปกันมาอย่างนี้อยากไม่อยากอยากให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่อยากให้มันแปลไปอย่างอื่นคือไม่อยากให้มันแตกนั่นมันก็อยากตามภาษาบานเอาวะโอ้ยเจนนเบอกอยากนอคีเส้นน้ำกับคิดเทนอคีเส้นวกกัตคิดเทนอหนะคิดพี่คีเส้นวันนี้แต่ี่ส้อากาศคนบ้นะฮะนี่มันเป็นยังที่มันเป็นกามาตัญหาหนึ่งวิภาวะตัญหาหนึ่ง อยากมันก็เป็นตันหาไม่อยากมันก็เป็นตันหาคือคืออยากเห็นหน้าคนนี้ก็โอ้ยคิดถึงอยากเห็นหน้าเรานาะไอ้คนนี้คนขี้เกียจมันไม่อยากเห็นหน้ามันอันนี้ก็เป็นตันหายี่เนี่ทุกทั้งนั้นแหละอยากเห็นก็เป็นทุก์ไม่อยากเห็นหน้ามันก็เป็นทุกมันเป็นตันหาทั้งนั้นในความเป็นจริงนี่ที่ปฏิบัตินี่เราไม่รู้จักกิริไม่รู้จักตันหาวิ่งตามพิรดวิ่งตามตันหานั้นเท่าไรมันก็ไม่พ้นจากทุก เพราะมันไม่พ้นจากความอยากกันเองอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติแต่ปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อมาให้มันมีทุกข์แต่เราก็ไปสร้างทุกข์ขึ้นมาสร้างทุกข์ขึ้นมาเพื่อไปให้มันมีทุกข์เช่นว่าฉันอยากเกิดถ้า้าหากว่าฉันไม่เกิดฉันไม่พอใจหรอกแต่ฉันอยากเกิดแค่ฉันไม่อยากตายนั่นในไหมห่ะอืม แต่ฉันไม่อยากตายแต่ฉันอยากเกิดเฉยๆ เ, เนี่ยถูกไว้ยังไงเกิดมาเรื่องไม่อยากตายไม่ได้เด้อมันผิดอยู่อย่างนั้นล่ะนิฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันต้องอาศัยการทําสมาธิให้จิตสงบระงับที่เราเรียกว่าพุโทโธพุทโธนั่นไม่ใช่ว่าพุโทโธเฉยๆหรอกพุโทโธผู้รู้อันนี้มันล่วงสามันชนที่รู้ในปัจจุบันของเราเนี่ยเรารู้ทุกวันมันรู้ที่เพียงว่ามันเป็นทุกข์ รู้ที่พระพุทธเจ้าองค์ท่านสอนนะพุทโธพุทโธนะรู้ที่ว่ามันไม่ไม่มีทุกข์รู้การกระทําใหม่ทุกเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นจากนั้นปฏิบัติการทุกรารนี้ก็เรียกว่ามันมันอยากดีปฏิบัติอยากดีอื <c oughs> เราเคคิดว่ามันได้ดีแต่ก็ได้ว่าหมดแล้ว <c oughs> มันหมดเท่านั้นแหละถ้าได้ดีแล้วก็หมดเท่านั้นมันไม่หมดนะมันไม่หมดได้ดีมาแล้วก็นวังนะ นะวับบงดีมันจะหายไปเหอะ อ, ะอะดีไปหายแล้วมันก็เกิดไม่ดีอีกขนนั้นแหละมันกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้มิฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าพวกเราทําการปฏิบัตินี่จะทํำยังไงมันทําอย่างไ ร, ท, งไรท่านว่าทําให้เหมือนแผนเดินทําให้เหมือนน้ําทําให้เหมือนไฟให้เหมือนลมให้เหมือนของเก่าเขานี่ยตัวเราคนคนหนึ่งก็มีดิน สิ่งอะไรที่มันเคลื่อนแข็งในร่างกายเนี่ยมันเป็นดินสิ่งที่มันเหลวๆเนี่เป็นน้ําสิ่งที่อบูนมันก็เป็นไฟสิ่งที่ลมมันพัดไปมามันเป็นลมนี่มันก็เป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมดินนี้แต่เทียบง่ายๆก็เหมือนดินธรรมดาเหล่านี่นะเขาจะไปขุดมันจะไปคุยมันยังไงมันก็ไม่เป็นอะไรนะอืมไม่เป็นอะไรจะไปทําให้มันแข็งจะไปทําให้มันละลาย จะไปผสมของบูดของเน่ามันก็ใช่น่ะดินทำจิตก็าะให้รู้สึกว่าดินมันต้องเป็นอย่างนั้นสักว่ธธาแต่ถาดดินน่ะน้ําถ้าเป็นน้ําธรรมดาแล้วนะ่ะจะไปต้มมันมันร้อนก็ได้จะไปทํามันเป็นก้อนก็ได้จะไปล้างของสกปรกอะไรจะไปทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะ่ะน่ะน้ําก็ไม่เป็นไะไคงเป็นถาดน้ําเนี่ยนี่ไม่มีอะไรไฟจะไปเผาของเหม็นของหอมอย่างไรก็ช่างมันเถอะไฟก็ไม่ว่าอะไร มันก็เป็นไฟอย่างนั้นือลมจะไปพัดไปโกรกไอ้ของที่มันหมินมันของส ก, กรปรกมันก็ไม่ว่าอะไรนี่นี่ท่านไอ้เทียบอย่างนั้นกองเราเนี่ยก็คือกองดินกองนา้ากองไฟกองลมค้นไปหาความตามเป็นจริงแล้วไม่มีมีกองดินกองนา้ากองไฟกองลมเนี่ยใจหม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 ได้เสียไปเสียไปก็ได้มาตใจได้เกิดเกิดเด็กใจได้วุ่นวายเราจะปรารถนาอย่างไรมันก็ไม่ถูกเลยข้อขาอมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความยึดมั่นถือมั่นของพวกเราทั้งหลายนั้นมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้ยังไกลนะโยมนะยังไกลที่สุดเท่าไหร่ยังไกลมากอืมพยายามเดิมเริศที่จะไปแต่ต้นต้นมือเถอะอืมอย่าไปว่าให้มันแก่ถึงจะเขาวัดอยานะนะแก่ก็ไม่ใช่ก้อนไหนแล้วมันจะแก่ก้อนห น, น, น, นุ่มๆแล้วมันจะแก่เนี่ย ก้อนนี่ยก้อนนมมันแก่หรือก้อนแก่มันแก่นี่ อ, อืมก้อน น, นมนมมันแก่ขึ้นมาแก่ขึ้นมาอย่างไปมันแก่ก่อนเธอแก่ก่อนเธอเอ้าก้อนนมเนี่ยมันแก่ไม่ใช่ก้อนอื่นหรอกต้องพิจารณาทุกคนทุกคนอย่างนี้ภาระของพวกเรานี่ยเดือทุกคนยังจะเป็นอยู่อย่างนี้อืมเป็นอยู่อย่างนี้ทุกคนทุกคนอืมอย่างตระกูลพ่อแม่เร า, ราไปยังไงมาอย่างไงไหมเกิดเบื้องต้นแล้วก็แปลทํากลาง ผลที่สุดก็หลับไปไม่รู้ว่าใครไปไหนมาไหนอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้เข้าหาธรมธรมะธรรมะเนี่ยเป็นวิชาอันหนึ่งอืเป็นวิชาสี่สําคัญที่สุดวิชาทุกขแขนงที่หากว่ามันจะไม่รวมในในวิชาพุทธศาสนานี่วิชานั่นยังประกอบไปด้วยทุก์ที่เราประพฤตปฏิบัติกันนี้อย่างน้อยก็เี่ยพ้นทุกไม่พ้นมากกว่พ้นในเวลานี้ อือย่างที่เขาเขาว่าให้เราเราไม่โกรธเดี๋ยวนี้ก็พ้นไปแล้วนะพ้นไปแล้วพ้นทุกอ่ืมถ้าเราไม่พ้นทุกเขาว่าให้เราเราโกรธเดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่พ้นทุกถ้าเราพิจารณาทำมากยิ่งอันนี้มันกอนดินนะเว้ยเขาว่าเขาว่ากอนขิดดินเยอะกรดขิดดินมันว่ากอนขิดินกันกรอน้ํามันว่าให้น้ำกันลมมันว่าให้ลมกันไฟมันว่าให้ไฟกันถ้าคิดไปถึงอย่างนั้นเขาก็ว่าว่าอีแล้วคนไม่มีอกมีใจ ไม่กระตอือรือร้นตายเขาร้องให้กันเราชฮยอันนี้ก็บ้าอีกแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนดีเนาะทั้งที่สุดแล้วมันจะไปอยู่อย่างนานโยมอย่างนั้นท่านจิห้รู้เห็นธรรมเป็นปัจจัดตังบ้าอันนี้เราสบายแล้วไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นได้สันพจนจากทุกแล้วเอาละใครจะว่าเป็นอะไรก็ช่างใครเถอะเราได้ความจริงอยู่อย่างนี้ อันนี้มันเป็นปัจจัยต่างรูร้เฉพาะเจ้าของอย่างนี้จึงจะอยู่ได้อันนี้หมาถึงขนานที่พวกเรานัเนี่ะเด็กๆรุนรุ่นนุ่นุง เ, เขามาวัดสีต้องทีออกจากวัดไปเพื่อนเขาเ ย, ยอะเออเดี๋ยวนี้ธรรมะธโมโนะเดี๋ยวนี้อายเขาจะและ้วฮะไม่อยากจะเข้าวัดอีกซะและ้วเห็นเด็กนุ่นุมที่มาเป็นลุกศิษย์เนี่ยสมาารเทศฟังธรรมะอันนั้นเข้าใจเนี่ยเข้าออกไปก็อนไปกินเล่าก็เข้าไม่เด่นเลยกับ เ, เ, เ, เ, เขาเอาไปเยอะเอาที เออเดี๋ยวนี้เขาวัดเขาวานั่งไกินเหล้ากินยาเถนั่นเดี๋ยวนี้นะอายซะแล้วผลที่เกิดก็ได้เล่นไม่รด้กันนั่แหละมันลาบากอยู่อย่างนี้ขะนั้นตัสนใจกับเด็กกระทองจริงๆนะปฏิบัติของเราเนี้ยอันนี้ไมปถึงขนาดนั้นเราให้อดทนกันให้อดทนกันในระหว่างครอบครัวก็ยังดีแล้วอื <c oughs> อย่าทะเลาะบวชกันในครอบครัวในลูกในหลานของเราเท่าเนี้เราสะสมกันขึ้นมาทะเลาะวิเวียน นิวานกันมัน ก, ก็ไม่ดีไม่งามให้ฟังธรรมะให้รู้ธรรมะเนี่ยนี่เอาไปตีบติในครอบครัวให้มันเยือกเย็นก็พออยู่แล้วไม่ต้องอะไรมันพ้นทุกข์ทุกข์ข่าวก็ยังดีอยู่แล้วเมื่อหากว่ามันเป็นมาให้นึกถึงธรรมะให้นึกถึงครูบาอาจารย์สอนนึกถึงท่านละท่านในละท่านในว่างท่านใ้เว่นอืมอให้ต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาธรรมะที่เราฝึกกันทุกวันนี้ก็เพื่อไปแก้ปัญหา ปัญหาที่ไหนปัญหาจิในครอบครัวของโยมมะแล้วมากหมปัญหาของลูกปัญหาของเมียปัญหาของเพื่อนปัญหาทุกสิ่งสารพัดจนบนปวดหัวกันทั้งนั้นเลยเนี่ยมันปัญหาทั้งนั้นอันนี้ไอ้ไปแก้ปัญหาเด้หรอชีวิตประจำวันของเราอยู่กับธรรมะเราทำไมเราจะเกิดเป็นมนุษย์มามีหูมีตามีแช่งมีขาทำให้จิตใจใเราอยู่สบายทำงานตามหน้าที่ของเรา มันแดืดร้อนก็อดทนอืโดยการแสดงหาของขีพของเราก็เป็นธรรมะอันหนึ่งอืเป็นศีลธรรมอืให้อยู่มีความยเย็นเย็เป็นสุขเลยธรรมะอันนี้ก็พอแล้วอย่างนั้นขาดทุนนะขาดทุนนะบรรโสดมารัง โ, โสดนะไปบ้านแต่ทะเลาะกันมันขาดทุนได้ยินไหมล่ะย้อมขาดทุนขาดทุนทั้งนั้นแหละมันขาดทุนอืมันขาดทุนไม่เห็นธรรมะสักรนิดหนึ่งน่ะ